มะวกหนึ่งอนิสังสะทัสสาวีกถาว่าด้วยผู้เห็นอนิสง์ในนิพพานห้าร้อยสี่สิบเจ็ดสกบุคคลผู้เห็นอนิสง์ในนิพพานละสังโยดได้ใช่ไหมปรอใช่สกบุคคลผู้มานาิ ก, การสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงละสังโยดได้ไมิใช่หรือปรอใช่สก หากบุคคลผู้มนสิการสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงและสังโยดได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้เห็นอนิสงในนิพพานและสังโยชดได้สกบุคคลผู้มนสิการสังขารโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นโรคโดยความเป็นฝีโดยความเป็นของเสียแทงโดยความเป็นของลำเค็นโดยความเป็นอาพาธโดยความเป็นดังสิ่งอื่นโดยความเป็นของเสื่อม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 โดยความเป็นโทษโดยความเป็นสภาวะมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาและสังโยดได้ไม่ใช่หรือปรใช่สกหากบุคคลผู้มนุิยการสังขารโดยความเป็นสภาวะมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาและสังโยดได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าผู้เห็นอนิสงส์ในนิพพานและสังโยดได้สกบุคคลมนุิยการสังขารโดยความเป็นของไม่เทียง และเห็นอนิสงในนิพพานใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลมนศษการสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงและเห็นอนิสงในนิพพานใช่ไหมปรใช่สกมีอการประชุมแห่งภัษสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลมนศษการสังขารโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นโรค โดยความเป็นสภาวะมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาและเห็นอนิสงส์ในนิพพานใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลมานาจิการสังขารโดยความเป็นสภาวะมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาและเห็นอนิสงส์ในนิพพานใช่ไหมปรใช่สกมีการประชุมแห่งพัรษาสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ห้า้อยสี่สิบปดปรท่านไม่ยอมรับว่าผู้เห็นอนิสงในนิพานละสังโยชน์ได้ใช่ไหมสพใช่ปรพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิกษุทั้งหลายพิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นว่าเป็นสุขหมายรู้ว่าเป็นสุขรู้สึกว่าเป็นสุขมีใจน้อมไปเนืองๆสม่ำเสมอไม่ขาดระยะมีปัญญาอย่างรู้ในนิพานอยู่ มีอยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้นบุคคลผู้เห็นอนิสงส์ในนิพพานจึงละสังโยชน์ได้อันนี้สังสะทะสาวีกถาจบสองอมตารมณกถาว่าด้วยสภาวธรรมมีอมตะนิพพานเป็นอารมณ์ห้าร้อยสี่สิบเกสกสังโยชน์มีอมตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรใช่ สกอมตะเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นอารมณ์ของคันทะเป็นอารมณ์ของโอคะเป็นอารมณ์ของโยคะเป็นอารมณ์ของนิวรเป็นอารมณ์ของปรามาตเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นอารมณ์ของสังกิเลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอมตะไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลไม่ใช่หรือปรใช่ สกหากอมตะไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลสท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสังโยชน์มีอมตะเป็นอารมณ์สกราคะปรารพอรมตะเกิดขึ้นใช่ไหมปอรใช่สกอมตะเป็นที่ตั้งแห่งราคะเป็นเหตุแห่งความกำหนักเป็นเหตุแห่งความใคร่เป็นเหตุแห่งความมัวเมาเป็นเหตุแห่งความผูกพันเป็นเหตุแห่งความหลงไหลใช่ไหม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 ไม่เป็นเหตุแห่งความผูกพันไม่เป็นเหตุแห่งความลหลงไหลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าราคะปรารบอ ม, มตะเกิดขึ้นสกโทสะปรารภอ ม, มตะเกิดขึ้นใช่ไหมปรอใช่สอกอมตะเป็นที่ตั้งแห่งโทสะเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเป็นที่ตั้งแห่งความกระทบกระทั่งใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอก อ, อมตะไม่เป็นที่ตั้งแห่งโทสะ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 อมตะเป็นที่ตั้งแห่งโมหะทำความไม่รู้ทำความไม่เห็นเป็นเหตุแห่งความดับสนิทแห่งปัญญาเป็นไปในฝ่ายทำลายปัญญาไม่เป็นไปเพื่อความดับกิเลสใช่ไหมปร Curiosity. ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอมตะไม่เป็นที่ตั้งแห่งโมหะมิใช่ทำความไม่รู้มิใช่ทำความไม่เห็นเพื่อกวนเกี่ยวับความเจริญแห่งปัญญาไม่เป็นไปในฝ่ายทำลายปัญญา เป็นไปเพื่อความดับกิเลสมิใช่หรือปอรอใช่สกหากอมตะไม่เป็นที่ตั้งแห่งโมหะมิใช่ทำความไม่รู้เป็นไปเพื่อความดับกิเลสท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าโมหะปรารบอรมตะเกิดขึ้นห้าหยห้าสิบสกสังโยตปรารูรูปเกิดขึ้นรูปเป็นอารมณ์ของสองอังโยตเป็นอารมณ์ของคันธะเป็นอารมณ์ของสังกิเลใช่ไหม ปรใช่สกสังโยติปรารภอมตะเกิดขึ้นอมตะเป็นอารมณ์ของสังโยตเป็นอารมณ์ของคันทะเป็นอารมณ์ของสังกิเลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกราคะปรารภรูปเกิดขึ้นรูปเป็นที่ตั้งแห่งราคะเป็นเหตุแห่งความกำหนัดเป็นเหตุแห่งความใครเป็นเหตุแห่งความมัวเมาเป็นเหตุแห่งความผูกพัน เป็นเหตุแห่งความหลงไหลใช่ไหมปรใช่สกราคระปรารพอมตะเกิดขึ้นอมตะเป็นที่ตั้งแห่งราคะเป็นเหตุแห่งความหลงไหลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโทสะปรารบรูปเกิดขึ้นรูปเป็นที่ตั้งแห่งโทสะเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเป็นที่ตั้งแห่งความกระทบกระทั่งใช่ไหมปรใช่สก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 ไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลใช่ไหมปรใช่สกสังโยบปรารภรูปเกิดขึ้นรูปไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชดไม่เป็นอารมณ์ของคันทะไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกราคะปรารภอมตะเกิดขึ้นอมตะไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะไม่เป็นเหตุแห่งความกำหนัดไม่เป็นเหตุแห่งความใคร่ไม่เป็นเหตุแห่งความมัวเมา ไม่เป็นเหตุแห่งความผูกพันไม่เป็นเหตุแห่งความหลงไหลใช่ไหมปรใช่สกราคะปรารภรูปเกิดขึ้นรูปไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะไม่เป็นเหตุแห่งความหลงไหลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโทสะปรารภอ ม, อามาตะเกิดขึ้นอมตะไม่เป็นที่ตั้งแห่งโทสะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความกโกรธไม่เป็นที่ตั้งแห่งความกระทบกระทั่งใช่ไหม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 สกโมหะปราลบูปเกิดขึ้นรูปไม่เป็นที่ตั้งแห่งโมหะนีใช่ทำความไม่รู้เป็นไปเพื่อความดับกิเลสใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าร้อยห้าสิเอ็ดปรท่านไม่ยอมรับว่าสังโยชน์มีอมตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมสกใช่ปรพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าปุถุชนหมายรู้นิพพานเดยความเป็นนิพพาน การหมายรูนิพพานโดยความเป็นนิพพานแล้วจึงกาหนดหมายนิพพานกาหนดหมายในนิพพานกาหนดหมายโดยความเป็นนิพพานกาหนดหมายนิพพานว่าเป็นของเรายินดีนิพพานมีอยู่จริงมิใช่หรือสอกอใช่ปอรอดังนั้นสังโยชน์จึงมีอมตะเป็นอารมณ์ได้อมตระรมณกะถาจบสรูปังสารมณันติกถา ว่าด้วยรูปที่รับรู้อารมณ์ได้ห้าอห้าสิบองสกรูปเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรใช่สกรูปนั้นมีความนึกถึงความผูกใจความสนใจความใฝ่ใจความจงใจความปรารถนาความตั้งใจใช่ไหมบรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก รูปนั้นไม่มีความนึกถึงไม่มีความผูกใจไม่มีความตั้งใจไม่ใช่หรือปรใช่สกหากรูปนั้นไม่มีความนึกถึงไม่มีความผูกใจไม่มีความตั้งใจท um? ่านก็ไม่มควรยอมรับว่ารูปเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารม i̇şte? ณ์ได้สกพระจะเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความผูกใจมีความตั้งใจใช่ไหม อรอใช่สกรูปเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความผูกใจมีความตั้งใจใช่ไหมอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเวทนาสัญญาเจตนาจิตศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาราคะโทสะโมหะมาณนะทิฏฐิวิจิกิจฉาถีนะอุทจัจจะ อหิริกะอโนตป ะ, ออตปะเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความผูกใจมีความตั้งใจใช่ไหมปรใช่สกรูปเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความผูกใจมีความตั้งใจใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก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 ไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปอรอใช่สกเวทนาอโนตปะเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความผูกใจไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าอห้าบสามปรท่านไม่ยอมรับว่ารูปเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมสกใช่ปอรอ รูปมีปัจจัยไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรหากรูปมีปัจจัยดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้รูปปางสารมนณติกถาจบ 4. อนุสยาอนารมณกถาว่าด้วยอนุสัยรับรู้อารมณ์ไม่ได้ห้าร้อยห้าสิบสี่สก อนุสัยเป็นสภาวานนาาานะธนะรม ร, ม, ราามที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรใช่สกอนุสัยเป็นรูปเป็นนิพพานเป็นจักขายัตนะเป็นโผฏฐพายัตนะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกามราคานุสัยเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรใช่สกกามราคะกามราคะปริยุทธาน กามราคะสังโยชน์กามโมคะกามโยคะกามฉันทานิวอนเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกามราคะกามราคะปริยุทธานกามราคะสังโยชน์กามโมคะกามโยคะกามฉันทานิวอนเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรใช่สก กามราคานุสัยเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกามราคานุสัยเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรใช่สกนับเนื่องในขันไหนปรนับเนื่องในสังขารขันสกสังขารขันเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกสังขารขันเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรใช่สกเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขันเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกามราคานุสัยนับหนึ่งในสังขารขันเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรใช่สก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 ปฏิฆานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจชานุสใสภาวะราคานุสัยอวิชานุสัยเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรใช่สออกอวิชชาอวิโชคะอวิชาโ cents, ย king, คะอวิชานุสัยอวิชยาปริยุทธานอวิชยาสังโยชนอวิชานิวรเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอวิชาอวิโชคะอวิชาโยคะอวิชานิวรเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรใช่สกอวิชานุสัยเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอวิชานุสัยเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรใช่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 ส่วนหนึ่งเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้อีกส่วนหนึ่งเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้า้อห้าสิห ป, ปรท่านไม่ยอมรับว่าอนุสัยเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมสกใช่ปรปุทุชนเมื่อจิตที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยกริกําลังเป็นไปอยู่ ท่านยอมรับว่าเป็นผู้มีอนุสัยใช่ไหมสกใช่ปรออนุสัยเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรอดังนั้นอนุสัยจึงเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ปรอปุตุชนเมื่อจิตที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิกํกำลังเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่าเป็นผู้มีราคะใช่ไหม สกใช่ปรราคะนั้นเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นราคะจึงเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อนุสยยาอนารมณกถาจบห้าญาณังอนารมณันติคาว่าด้วยญาณที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ ห้าร้อยห้าสิบเจ็ดสกยานเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรอใช่สกยานเป็นรูปเป็นนิพพานเป็นจักขาญตนะเป็นโพธพายญาณะใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกยานเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรอใช่สกปัญญาปัญญสีปัญญาพละ ส y, hablando, いいัมมาทิฏฐิธรรมวิจยสัมโพชงเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกปัญญาปัญญีสีปัญญาภละสัมมาทิฏฐิธรรมวิจยสัมโพชงเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรใช่สกญานเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 ปัญญานับเนื่องในสังขารขันเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรใช่สกยานับเนื่องในสังขารขันเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกยานับเนื่องในสังขารขันเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้แต่ปัญญานับเนื่องในสังขารขัน์เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหม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 เวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขันส่วนหนึ่งเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้อีกส่วนหนึ่งเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าร้อยห้าสปรท่านไม่ยอมรับว่าญาณเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมสอกอใช่ปรพระอรหันต์ผู้พรั่งพร้อมด้จักหูวิญญาณ ท่านยอมรับว่าเป็นผู้มีญาณใช่ไหมสกใช่ปรญาณ น, นั้นเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นญาณจึงเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ปรพระอรหันต์ผู้เคร่งพร้อมด้วยจกักขุวิญญาณท่านยอมรับว่าเป็นผู้มีปัญญาใช่ไหมสกใช่ปร ปัญญานั้นเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นปัญญาจึงเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ญาณังอนารัมมนันติคถาจบ กอติตารมณกถาว่าด้วยจิตมีอดิตธรรมเป็นอารมณ์ห้า้ยห้าสิบเก้าสกจิตที่มีอดิตธรรมเป็นอารมณ์เป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปอรใช่สกจิตมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ไม่ใช่หรือปอรใช่สกหากจิตมีอดิตธรรมเป็นอารมณ์ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า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 จิตที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรใช่สกความนึกถึงความตั้งใจปรารบอดีตมีอยู่ไม่ใช่หรือปรใช่สกหากความนึกถึงความตั้งใจปรารบอดีตมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจิตที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ อติตารมณกถาจบหขออนาคตารมณกถาว่าด้วยจิตมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ห้าร้อยหกสิบสอกอจิตที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์เป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรอใช่สอกอจิตมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ได้ไมิใช่หรือปรอใช่สอกอ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 จิตที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้มีนาคตรธรรมเป็นอารมณ์จึงผิดสกจิตมีนาคตธรรมเป็นอารมณ์เป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรใช่สกความนึกถึงความตั้งใจปรารบอนาคตมีอยู่ไม่ใช่หรือปรใช่สกหากความนึกถึงความตั้งใจป ร, จปรารบอนาคตมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า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 ท่านไม่ยอมรับว่าจิตที่มีอดีตตธรรมและอนาคตธรรมเป็นอารมณ์เป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมสกใช่ปรอารมณ์ที่เป็นอดีตและอนาคตไม่มีมิใช่หรือสกใช่ปรหากอารมณ์ที่เป็นอดีตตธรรมและอนาคตธรรมไม่มีดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าจิตที่มีอดีตธรรมและอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ เป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อ น, นาคตารมณกะถาจบ7วิตตากานุปฏิตะกะถาว่าด้วยจิตเนื่องด้วยวิตตห้าหกสิบสองสกจิตทุกดวงเนื่องด้วยวิตกใช่ไหมปรใช่สกจิตทุกดวงเนื่องด้วยวิจารณ์เนื่องด้วยปีติเนื่องด้วยสุขเนื่องด้วยทุกข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 สมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์มีอยู่ไม่ใช่หรือปรใช่สกหากสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์มีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจิตทุกดวงเนื่องด้วยวิตกสกจิตทุกดวงเนื่องด้วยวิตกใช่ไหมปรใช่สกสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีอยู่ไม่ใช่หรือปรใช่สก หากสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจิตทุกดวงเนื่องด้วยวิตกสกจิตทุกดวงเนื่องด้วยวิตกใช่ไหมป ร, รใช่สกสมาธิพระผู้มีพระภาคตรัสไว้สามอย่างคือหนึ่งสมาธิที่มีวิตกมีวิจารสองสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์ สมสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณไม่ใช่หรือปรใช่สกห้าสมาธิพระผู้มีพระภาคตรัสไว้สามอย่างคือหนึ่งสมาธิที่มีวิตกมีวิจารสองสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์มสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจิตทุกดวงเนื่องด้วยวิตกวิตตากานุปติตกถา 8. วิตต ก, กะวิปปาระสัท ธ, ธะถาว่าด้วยความแผ่ไปแห่งวิตกเป็นเสียง563สกทุกครั้งเมื่อตรึกอยู่ตรองอยู่ความแผ่ไปแห่งวิตกเป็นเสียงใช่ไหมปอรอใช่สกทุกครั้งเมื่อถูกต้องอยู่ความแผ่ไปแห่งผัสสะเป็นเสียงทุกครั้งเมื่อสวยอารมณ์ ความแผ่ไปแห่งเวทนาเป็นเสียงทุกครั้งเมื่อจําได้ความแผ่ไปแห่งสัญญาเป็นเสียงทุกครั้งเมื่อจงใจอยู่ความแผ่ไปแห่งเจตนาเป็นเสียงทุกครั้งเมื่อคิดอยู่ความแผ่ไปแห่งจิตเป็นเสียงทุกครั้งเมื่อระลึกอยู่ความแผ่ไปแห่งสติเป็นเสียงทุกครั้งเมื่อรู้อยู่ความแผ่ไปแห่งปัญญาเป็นเสียงใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกทุกครั้งเมื่อตรึกอยู่ตรองอยู่ความแผ่ไปแห่งวิตกเป็นเสียงใช่ไหมปรอใช่สกความแผ่ไปแห่งวิตกเป็นเสียงที่พึงรู้ด้วยโสตะวิญญาณกระทบที่โสตะมาสู่คลองแห่งโสตะใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความแผ่ไปแห่งวิตกไม่เป็นเสียงที่พึงรู้ด้วยโสตะวิญญาณเมื่อกระทบที่โสตะ ไม่มาสู่คลองแห่งโสตะไม่ใช่หรือป ร, รใช่สกหากความแผ่ไปแห่งวิตกไม่เป็นเสียงที่พึงรู้ด้วยโสตะวิญญาณไม่กระทบที่โสตะไม่มาสู่คลองแห่งโสตะท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าทุกครั้งเมื่อตรึกอยู่ตรองอยู่ความแพ่ไปแห่งวิตกเป็นเสียงวิตกวิปปาระสัทธกถาจบเก้า นยถาจิตตสัวาจาติกะถาว่าด้วยวาจาไม่เป็นไปตามที่คิดห้าร้อยหกสิบสี่สกวาจาไม่เป็นไปตามที่คิดใช่ไหมปอรอใช่สกวาจามีได้แก่บุคคลผู้ไม่มีผัสสะไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีเจตนาไม่มีจิตใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ว่าจะมีได้แก่บุคคลผู้มีผัสสะมีเวทนามีสัญญามีเจตนามีจิตมิใช่หรือปรใช่สกหากว่าจะมีได้แก่บุคคลผู้มีผัสสะมีจิตท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าว่าจะไม่เป็นไปตามที่คิดสกว่าจะไม่เป็นไปตามที่คิดใช่ไหมปรใช่สกว่าจะมีได้แก่บุคคลผู้ไม่นึกถึงอยู่ ไม่ผูกใจอยู่ไม่ตั้งใจอยู่ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาจามีได้แก่บุคคลผู้นึกถึงอยู่ผูกใจอยู่ตั้งใจอยู่มิใช่หรือปอรอใช่สกหากวาจามีได้แก่บุคคลผู้นึกถึงอยู่ผูกใจอยู่ตั้งใจอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าวาจาไม่เป็นไปตามที่คิด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 ปรอใช่สกบุคคลไม่ประสงค์จะกล่าวก็กล่าวได้ไม่ประสงค์จะว่าก็ว่าได้ไม่ประสงค์จะร้องเรียกก็ร้องเรียกได้ไม่ประสงค์จะพูดก็พูดได้ใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลประสงค์จะกล่าวจึงกล่าวได้ประสงค์จะว่าจึงว่าได้ประสงค์จะร้องเรียกจึงร้องเรียกได้ประสงค์จะพูดจึงพูดได้ไม่ใช่หรือปรอใช่ สกหากบุคคลประสงค์จะกล่าวจึงกล่าวได้ประสงค์จะว่าจึงว่าได้ประสงค์จะร้องเรียกจึงร้องเรียกได้ประสงค์จะพูดจึงพูดได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าว่าจะไม่เป็นไปตามที่คิดห้าร้อยหกสิบห้าปรท่านไม่ยอมรับว่าว่าจะไม่เป็นไปตามที่คิดใช่ไหมสกใช่ ปอรบางคนคิดว่าจะกล่าวอย่างหนึง่งแต่กล่าวไปอีกอย่างหนึง่งคิดว่าจะว่าอย่างหนึง่งแต่ว่าไปอีกอย่างหนึง่งคิดว่าจะร้องเรียกอย่างหนึ่งแต่ร้องเรียกไปอีกอย่างหนึ่งคิดว่าจะพูดอย่างหนึง่งแต่พูดไปอีกอย่างหนึง่งมีอยู่ไม่ใช่หรือสกใช่ปอร์หากบางคนคิดว่าจะกล่าวอย่างหนึ่งแต่กล่าวไปอีกอย่างหนึ่งคิดว่าจะพูดอย่างหนึ่งแต่พูดไปอีกอย่างหนึ่งมีอยู่ ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวาจะไม่เป็นไปตามที่คิดนยยะถาจิตตัสวาวะจติกถาจบสิบนยยะถาจิตตัสกายกรรมมันติกถาว่าด้วยกายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิดห้า้อยหสิกกกายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิดใช่ไหมบรใช่สก กายกรรมมีได้แก enfin ่บุคคลผู้ไม่มีผรรษะไม่มีจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกายกรรมมีได้แก่บุคคลผู้มีผรรษะมีจิตมิใช่หรือปรใช่สกหากกายกรรมมีได้แก่บุคคลผู้มีพรรษะมีจิตท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิดสกกายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิดใช่ไหมปรใช่ สกกายกรรมมีได้แก่บุคคลผู้มีนึกถึงอยู่ไม่ตั้งใจอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกายกรรมมีได้แก่บุคคลผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ไม่ใช่หรือปรใช่สกหากกายกรรมมีได้แก่บุคคลผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิดสก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 ประสงค์จะถอยกลับจึงถอยกลับได้ประสงค์จะแลดูจึงแลดูได้ประสงค์จะเลี้ยวดูจึงเลี้ยวดูได้ประสงค์จะคูเข้าจึงคูเข้าได้ประสงค์จะเหยียดออกจึงเหยียดออกได้ไม่ใช่หรือปรใช่สกหากบุคคลประสงค์จะก้าวไปจึงก้าวไปได้ประสงค์จะเหยียดออกจึงเหยียดออกได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิด ห้าสิเจ็ดปรท่านไม่ยอมรับว่ากายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิดใช่ไหมสกใช่ปรบางคนคิดว่าจะไปในที่แห่งหนึ่งแต่ไปในที่อีกแห่งหนึ่งคิดว่าจะเหยียดแขนข้างหนึ่งแต่เหยียดแขนอีกข้างหนึ่งมีอยู่ไม่ใช่หรือสกใช่ปรหากบางคนคิดว่าจะไปในที่แห่งหนึ่งแต่ไปในที่อีกแห่งหนึ่ง คิดว่าจะเหยียดแข็งข้างหนึ่งแต่เหยียดแข็งอีกข้างหนึ่งมีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิดนัยฐาจิตตัสกายกรรมมันเตกถาจบ11อติตานาคตะปัจจุบันอนาคถาว่าด้วยอดีตอนาคตและปัจจุบัน568สกบุคคลประกอบด้วยอดีตใช่ไหม ปรใช่สกอดีตดับไปแล้วหายไปแล้วแปรผันไปแล้วศูนไปแล้วดับศูนไปแล้วไม่ใช่หรือปรอใช่สกหากอดีตดับไปแล้วหายไปแล้วแปรผันไปแล้วศูนไปแล้วดับศูนไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลประกอบด้วยอดีตสกบุคคลประกอบด้วยอนาคตใช่ไหมปรอใช่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 บุคคลประกอบด้วยรูปประคันที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรใช่สกบุคคลประกอบด้วยรูปประคันสามใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลประกอบด้วยขันห้าที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรใช่สกบุคคลประกอบด้วยขันสิบห้าใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกบุคคลประกอบด้วยจักขายิทธิเนที่เป็นอดีต ท, ที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรใช่สกบุคคลประกอบด้วยจักขาอิทธิเนสามใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลประกอบอยอยอด้วยอิยตนสิบสองที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรใช่สก บุคคลประกอบด้วยอายตนะสามสิบหกใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลประกอบด้วยจักรุทธาตุที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรใช่สกบุคคลประกอบด้วยจักรุทธาตุสามใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลประกอบด้วยธาตุสิบปดที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันใช่ไหม ปรใช่สกบุคคลประกอบด้วยธาตุห้ิบสีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลประกอบด้วยจักขุนศีที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรใช่สกบุคคลประกอบด้วยจักขุนศีสามใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลประกอบด้วยอินทรีย์่สสองที่เป็นอดีต ที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรใช่สกบุคคลประกอบด้วยอินทรีย์หกสิบกใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าร้อยเจ็ดสิบปรท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลประกอบด้วยอดีตและอนาคตใช่ไหมสกใช่ปรบุคคลผู้เพ่งวิโมก8ได้ฌานสี่ตามปรารถนา ได้อนุปุพภะวิหารสมมาบัณเกมีอยู่ไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรหากบุคคลผู้เพ่งวิโมก8แปดได้ฌานสี่ตามปรารถนาได้อนุปุพภะวิหารสมมาบัณเก้า 9, มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลประกอบด้วยอดีตและอนาคตอติตานาคตะปัจจุปันนกถาจบนวามาวักจบ รวมคาถาที่มีในวักนี้คือหนึ่งอานิสังสทัสสาวีกถาสองอมตารมณกถาสรูปังสารมนันติกถาสอนุสยาอนารมณกถา 5. ้ายานังอนารมณันติกถา 6. กอติตารมณกถา 6. ขออนาคตารมณกถา 7. จ วิตาการุปติตากตาแปดวิตากะวิปภาระสัท ธ, ธาถาเก้านิยะถาจิตตสวาจาติกตาสิบนิยถาจิตตสกายกรรมมันติกตาสิบเอ็ดอติตานาคตะปัจจุปันนกตา